ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคาไม่มีโทษใด เสมอด้วยโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบพุทธวัจนะ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 เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเมือนมันใหม่เลยเลยเราก็เหมือนเดิมเพราะคำว่าเหมือนเดิมนีแหละมันก็ยังไม่ใหม่ไอเดิมๆมาลืมไปทั้งเถิดเราลองมาดูอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ทิ้งอดีตแก้งลืมลืมไปสับ้างชีวิตเราเนี่ยถ้าเก็บอดีตมาทั้งหมดเนี่ยมันรกจิตรกใจนะมันไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ปัจจุบันเราลองมาดูปัจจุบัน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 บางที่เรานับไม่ทันแต่ไม่ต้องไปนับพราะว่ามันคิดอ๋อมันคิดและมันดับไปก็ปล่อยมันไปความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่มากระทบต่างๆตัางหูเนี่ยมันก็เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่นี้แหละเราจะเห็นความคิดเห็นธรรมะหรือรู้แย้งธรรมะได้ก็เพราะที่อารมณ์ปัจจุบันความเป็นปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะทําชีวิตให้เราใหม่แล้วเราจึงเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น หรือมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่เขาเรียกว่าความไม่เที่ยงเราต้องอาศัยสติต้องมีสติอยู่เสมอๆสติจะเกิดขึ้นได้เสมอๆนั้นเราต้องสร้างผลิตขึ้นอยู่เนืองๆให้ต่อเนื่องกันนานๆนึกขึ้นได้ก็ให้มีสติทันทีเลยสติสามารถพาจิตพาใจเราเนี่ยลุยโลก โลกอะไรโลกธรรมโลกธรรมแปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์อันนี้คือโลกธรรมสติจะพาจิตเราเนี่ยลุยโลกธรรมแปโดยเฉพาะโลกคือความคิดเนี่ยสำคัญมากมันคิดไปในทางกามราคะ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 ก็มาลองเกี่ยวข้องกันปล่อยเขาผ่านไปถ้าเราไปบังคับไปยึดติดเนี่ยโอ้เราก็ผูกติดไปกับความคิดมันเป็นกรรมของเรานะเราทําผิดเราปล่อยเขาผ่านไปเฉยๆดีใจเราก็จะสบายจะสงบเราจะต้องฝึกบ่อยๆเราจะได้นอนหลับสบายๆไม่ถูกความคิดรบกวนหรือครอบงําโรคจริตโรคประสาททั้งหลายก็มาจากความคิดที่ไม่เลิกแล้วก็ยึดติดในความคิดนี่แหละหลวงพ่อเตียนท่านได้กล่าวไว้ว่า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 เห็นต้นทางของพนันธิพาลเลยสาคัญนะเห็นความคิดแต่ไม่ใช่คิดว่าเราเห็นนะความคิดส่วนหนึ่งผู้ที่เขา้าไปเห็นความคิดส่วนหนึ่งมันคนละคั่วคนละด้านกันอันนี้คือเห็นความคิดเมื่อเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ถึงพันิพานได้เริ่มต้นแค่มีสติเห็นความคิดแล้วเราก็ถึงที่สุดคือถึงพันิพาน แต่ก่อนจะเห็นความคิดนั้นเนี่ยเราอย่าข้ามขั้นเราต้องฝึกเจริญสติตั้งก่อนเรายังไม่มีสติผู้เห็นเลยต้องสร้างสติผู้เห็นตั้งก่อนจเจริญสติให้มากๆดูกายเคลื่อนไหวพอดูกายเคลื่อนไหวตำนานแล้วก็ดูใจที่มันคิดนึกเป็นขั้นตอนดูกายดูจิตดูรูปดูนามเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นแล้วต่อไปเนี่ยสติที่ดูกายดูจิตอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยจะนําพาจิตใจเราเนี่ย ไปสู่พันิพาณิชย์เราต้องขยันนะเราต้องสร้างเราต้องทําเราต้องมีความเพียรมีความอดทนทนเพื่อใครก็เพื่อตัวเราเพียรเพื่อตัวเราอดทนเพื่อตัวเราดับทุกเพื่อตัวเราเราจะคิดว่าไม่ต้องทํามากก็ได้การเจริญสติทําเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ใดที่เรายัางสแสวงหาเงินทองมากๆ ก, ก, ก็เพื่อใช้จ่ายแล้วก็เราต้องสแสวงหาสติ